ถ, ถึงจะเป็นมิปัสนาะทำมิปัสสนามีปัญญาแก่กล้าจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่ยึดในตัวกูของกูนะนะั่นแหะพอไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ขันอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมนั่ น, นแหละในจิตไม่ไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาจิตก็ไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยทางเดินเเดินอย่างนี้นะเบื้องต้นต้องมีศีลไว้ก่อน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 ใครจะเพ่งลูกแก้วเพ่งพระสัมมา ร, ระหังแล้วมีความสุขก็ทําไปเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยใครขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ทําไปการที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตมันจะไม่หนีไปที่อื่นจิตมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ไปบังคับจิตอย่างบางคนนะไปเข้าสำนากพุทธโธ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 พักผ่อนแลววันนี้พักผ่อนสายก็พักผ่อนมีเ้า้อพระนะเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดนะเอาทั้งวันเลยเนะช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดนะนะะเราพักเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเหมือนเราพักร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงก็ อ, ออกไปทำงาน